เป็นที่ภาที่ไม่รับอ่ะไม่ำทำทที่อยู่เดิมเหมือนกันจะไปก็ไปอเราให้ไปอยู่แล้วยังก็มียังมาปอยู่นี่พระที่เคยอยู่นี่มาปื้อยู่ท า, าไมไม่แค่ น, นักเลงพระเป็นพระตามาบวชมาเพื่อเป็นพระ ูเพเป็นภาพปธิบัติเพื่อความเป็นภักหรือความประเสริฐล่านกันหาอะไรเวลาเราไปไหนมา ไ, ไหนล้วก็โ อ, โอ้ตัวเราอยู่นี่ม่เคยเห็นของตายอยู่ไปไหนมาไหนก็นคิดเล่าคิดเล่าถึงเหนื่อยมันไม่มันไม่ผิดไปจาก ท, ที่คิดไว้ การรับเขียนของใครเคยะวะคยับเขียนคนไม่เคยยังมายุ่งย่างยุ่งยั่งย่ำนะพ้าไม่เคยนะและ้วทีนของเหมือนกันส่งของไปข้ามาเดินจุนดจ่างจายตามนั้นที่มีญานิมยมมันชอบปาดฐานแบงกันนะพระออแล้วอกจะแตกนะ ตั้งตั้งอยู่ว่าพระก็ตั้งใจมาปฏิบัติก็คือตั้งใจมาเป็นธรรมเันมันเป็นยังไงมันถึงเป็นทำอะไรที่อยู่อะไรอำเภอสีมาพนไม่ว่าจะไปหาไข่ฟังพูดหาหลักหาเก็นไม่ได้ เรื่อน้อยเอามากเดียวมีบวชใหม่นะบวชเป็นผ้าใหม่นะทันไรอําเภอเชื้อโฮ่จังหวัดปากิน่ะรามาหลายเดือนเลยเราจะไม่พูดออกมาว่าเหมือนก็ไม่มาซื้อเช้ารวมเลยเวลาจะเป็นจะไป ฟังเหตุผลที่หูดไม่มเลยแสดงว่าความอยากคือความอยากไปอันหายเหตุผลไม่ได้เลยอันมาที่หัวใจตลอดวันแต่จะนำกูเสมอแตหาอาจารย์อะไรถ่าน้องขายบางเหตุต้องผลก็ไม่มีอะไรเลยเนี่ยแสดงว่ามันอยากไปก็ีกเทไหลอยู่ที่ องหนที่ให้ออกก อ, อกนะอย่ามารออน่ามาอยู่นะ อ, อยู่ก็ไเป็นธรรมพระไม่เป็นพระ ใ, ระระ ใ, ใระหะเะเะ้เป็นพระไม่ห็นยักษ์ไม่ใช่ผีทำอาวชาสอนพระให้เป็นผู้บวชมาเป็นพระเพื่อความเป็นพระให้เป็นพระนั่นได้นะหมดทาง ทำมาวิจารสอนคนไม่ถึงคนไม่ได้สอนพ้าหรือเปลาได้แล้วหมดคนคนนั้นข้าวนั้นหมดเงินข้าหมดราคาหมดมจริงๆไม่มีเหลืออีพายอีใจก็เรลือแต่ผ้เหลืองนั้นที่เป็นเครื่องประกาศให้โลกได้กราบไหว้บูชาเพราะเป็นผ้ากราบสารพัดแต่แต่เป็นเป็นเสืออยู่ในผ่าน การเฉพาหัดน่ะอันนั้นสำคัญมีเราก็อ่อนลงอ่อนลงทุกทีถิวไม่ต้องเรื่องอะไรเลยตัวแขนมันจะไม่ทํางานนะผมชนอยู่ขนาดนั้นหน่อยถ้าธรรมดาแล้วคนดีดนี้ไปอยู่ไหนขขเขาเปล่าเขาอะไรคนเดียวอยู่ดังนั้นคนเดียวคนไม่ยุ่งก็ไพ่อยู่ยเนี่ยถ้าแขนรู้สึกว่ามันจะหมดสภาพออกขนาดนั้น ทนเฉยนะเรืเราผู้คนพระเน็ยนยิ่งหลังไหลเข้ามาจะให้นะหนักแล้วมากข้มาดื้อดันดา น, ดานพรบเพลของพระดื่ดยแล้วโหมันปักลึกมากนะเพลของพระเราดือดื้ อ, อนะฟังตรงไหนคื่หัวตับไม่ฟังธรรมดา อ, อ๋ออะไรมา